ฉันไม่กล้าบอกเพราะกลัวเธอจะไม่เชื่อฉันรักเธอมาตั้งนานไม่เคยพูดรอได่อยากจะทำให้เธอรู้ว่ามีเธอคนเดียวที่อยู่ในหัวใจฉันไม่เคยคิด รรกเธอจะล้นจอฉันต้องขอบอกให้คนดูเป็นพยานฉันรักเธอสุดหัวใจจะไม่ทิ้งกันให้เธอรับรู้หัวใจฉันก็มีเธอคนเดียวเป็นหนึ่งในหัวใจฉัน คนที่พิเศษแน่นอนไม่ว่าวันนี้หรือจะวันไหนไม่ว่าจากนี้จนถึงเมื่อไรไม่ว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็จะมีฉันและเธอตลอดไป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 จากนี้จนถึงเมื่อไรไม่ว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรก็จะมีฉันและเธอตลอดไป oh oh. Oh yeah. That